วันนี้เป็นวันพระวันฟังเทศฟังธรรมภาษาพระท่านเรียกว่าวันธรรมะสวณนาแปลว่าวันฟังธรรมการฟังธรรมพระพุทธเจ้าทรงตัดว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งกาเลนะธรรมะสวนงังเอตํมมังกลมุตตมังแปลว่า การฟังทำตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งการที่เราจะฟังทำได้เราก็ต้องมีเวลานั่นเองถ้าเราไปทำงานทำการเราก็จะไม่มีเวลามาฟังทำสมัยพุทธกาลวันพระนี้จะเป็นวันหยุดทำงานเพื่อให้ พุทธบริษัทได้มีเวลาว่างจะได้เข้าวัดเพื่อฟังธรรมกันได้แต่สมัยนี้วันหยุดทำงานไม่ตรงกับวันพระญาติโยมบางคนก็เลยไปวัดไปฟังธรรมไม่ได้แต่ก็โชคดีที่มีสื่อทางธรรมที่ไม่ต้องไปถึงที่วัด อยู่ที่ทำงานถ้ามีเวลาว่างก็ยังฟังธรรมได้ถ้ามีเครื่องอัดเสียงบันทึกเสียงก็เปิดฟังได้ถ้ามีหนังสือธรรมะก็อ่านได้ถ้ามีเครื่องดูการถ่ายทอดสดที่กำลังถ่ายทอดสดในตอนนี้ก็ยังฟังธรรมได้อยู่สมัยนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มาวัด ก็ยังสามารถที่จะฟังธรรมหรือศึกษาธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้สร้างมงคลให้กับชีวิตของเราได้แต่เราต้องมีเวลาหาเวลามาฟังธรรมมาศึกษาธรรมกันทำไมเราต้องศึกษาธรรมเราจะได้รู้ว่าธรรมหรือพระพุทธศาสนานี้ ทำอะไรให้กับเราได้บ้างมีคุณมีประโยชน์กับเราอย่างไรถ้าเราได้ศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะรู้ว่าพระพุทธศาสนานี้เป็นเหมือนบริษัทขายประกันนี่เองถ้าเราไม่รู้ว่าบริษัทขายประกันเขามีคุณประโยชน์อย่างไร เราก็ไปถามบริษัทประกันว่าคุณทำอะไรคุณให้ประโยชน์อะไรให้กับเราบ้างอย่างไรเขาก็จะบอกว่าถ้าบ้านคุณไฟไมหม้เราก็จะชดใช้ให้ถ้าบ้านคุณน้าท่วมเราก็จะชดใช้ให้ถ้าบ้านถ้ารถยนต์ของคุณหายเราก็จะเปลี่ยนซื้อรถใหม่ให้เราก็จะเข้าใจว่าอ๋อบริษัทประกันนี้ เขามีประโยชน์อย่างไรกับเราถ้าเราต้องการประโยชน์จากบริษัทประกันเราก็ซื้อประกันจากเขาแล้วเขาก็จะรับประกันให้กับเราพระพุทธศาสนาก็เป็นเหมือนบริษัทประกันมีประกันอยู่สองชนิดสองแบบด้วยกันจากพระพุทธศาสนาคือประกันภัยกับประกันชีวิต ประกันภัยของาศาสนาพุทธนี่เป็นอย่างไรก็มาประกันให้จิตใจของพวกเราที่ต่อไปจะต้องไปเป็นดวงวิญญาณไม่ให้ไปเป็นดวงวิญญาณที่ไม่ดีที่มีแต่ความทุกข์นั่นเองก็คือประกันไม่ให้เราไปเกิดในอบายอบายนี้ไม่มีใครอยากจะไปกัน อบายที่1เรียกว่าเดลฉานอบายที่สองเรียกว่าเปรตอบายที่สมเรียกว่าอาสุลกายอบายที่สเรียกว่านารกนี่คือที่ไปสําหรับผู้ที่ไม่ได้ซื้อประกันภัยจากพระพุทธศาสนาแต่ถ้าซื้อประกันภัยจากพระพุทธศาสนาก็ไม่ต้องไปเกิดเป็นเดลฉานเป็นเปรต เป็นอสุรกายไปเป็นนรกไปตกนรกแล้ววิธีที่จะซื้อประกันภัยของพระพุทธศาสนาซื้ออย่างไรก็ซื้อด้วยการรักษาศีลนี่เองพระพุทธศาสนาบอกว่าถ้ารักษาศีลห้าได้ตายไปไม่ไปอบายถ้าไม่ทํำบาปทั้งห้าข้อนี้ เพราะการทำบาป5้าข้อนี้แหละที่ทำให้จิตใจของพวกเราที่ต่อไปเวลาไม่มีร่างกายจะกลายเป็นดวงวิญญาณชนิดต่างๆวิญญาณวิญญาณที่เป็นเดรัจฉานก็จะไปได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานวิญญาณที่เป็นเปรตก็จะเป็นวิญญาณที่มีแต่ความหิวโหย วิญญาณที่เป็นอสุรกายก็จะเป็นวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัววิญญาณที่เป็นนรกก็จะเป็นวิญญาณที่มีความทุกข์จากความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นจองเวรจองกรรมนี่คือผลที่เกิดจากการทำบาปในขณะที่มีชีวิตอยู่ฉะนั้นถ้าไม่อยากจะไปเกิดเป็นเดรัจฉาน ก็อย่าทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ความหลงความไม่รู้เป็นอย่างไรเช่นคนที่ไม่เชื่อบาปว่ามีจริงเนี่ยเรียกว่าหลงความจริงบาปมีจริงผลของบาปมีจริงแต่ถ้าไม่เชื่อเพราะคิดว่าจำเป็นจะต้องทำบาปในการเลี้ยงชีพคนบางคนมีอาชีพที่จะต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ถ้าเขาไม่ทำอาชีพนี้เขาก็จะอดตายเขาก็เลยต้องทำบาปด้วยความไม่เชื่อบาปด้วยความไม่รู้ว่าบาปนี้มีจริงไม่รู้ว่าการทำบาปโดยความหลงนี้วความไม่เชื่อบาปนี้จะพาให้เขาไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะสัตว์เดรัจฉานเขาก็ เ, าเป็นพวกที่ไม่รู้จักบาปนั่นเองพวกสัตว์เดรัจฉานเขาอยู่กันเลี้ยงชีพด้วยการฆ่ากัน มนุษย์ถ้ามาเลี้ยงชีพด้วยการฆ่ากันมันก็เป็นเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานนี่ดังนั้นพอร่างกายตายไปดวงวิญญาณที่ไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วเป็นสัตว์เดรัจฉานก็จะไปได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานต่อไปแต่ถ้ามาพบกับพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาบอกว่าอย่าไปทำบาป ถึงแม้จะทำบาปเพื่อเลี้ยงชีพก็บาปาให้หาอาชีพอื่นเปลี่ยนอาชีพอื่นได้อาชีพที่ไม่ต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็มีอาชีพทำมาค้าขายซื้อของซื้อของมาขายอย่างนี้ก็ไม่ของที่ไม่มีชีวิตมาขายก็ไม่ต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไดอ้อันนี้ก็เป็นการซื้อประกัน ถ้าไม่อยากจะไปเกิดเป็นเดรัจฉานก็ต้องเชื่อบุญเชื่อบาว่ามีจริงแล้วก็อย่าไปทำบาปแล้วตายไปก็จะไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานส่วนพวกที่ไปเกิดเป็นเปรตนี้ท่านบอกว่าทำบาปเพราะความโลภคือความอยากได้มากๆคารจริงไม่ทำบาปก็อยู่ได้แต่ อยากจะอยู่แบบมีมากๆอยากมีเงินมากๆก็เลยต้องไปทำอาชีพที่ทำให้ได้เงินมากๆก็เลยอาจจะไปทําอาชีพรับจ้างค่าคนรับจ้างค่าสัตว์ตัดชีวิตอะไรต่างๆหรืออาจจะไปทำฟาร์มไก่ฟาร์มอะไร ความจริงถ้าถ kind of ้าทำเพื own, fast, them them. So, them, so, them er ่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็ไม่ต้องทำมากแต่ถ้าทำเพื่อให้ร่ำให้รวยก็ต้องทำมากคือพวกนี้ทำบาปมากกว่าเพื่อมากกว่าการเลี้ยงชีพเนี่ยเมื่อทำบาปมากกว่าก็ใจก็จะทุกข์มากกว่าก็จะไปเกิดเป็นดวงวิญญาณที่เป็นเปดที่มีความอยากมีความหิวโหย เพราะว่าไม่ว่าจะได้มามากน้อยเท่าไหร่ความหยอยากความหิวโหวยมันไม่ได้ลดน้อยลงไปตามสิ่งที่เราได้มากับทำให้มีความหิวโหวยมีความอยากมากขึ้นได้คืบแล้วก็อยากจะได้สอบย่ายศอกก็อยากจะได้วาถ้าได้ยศก็อยากจะได้สูงขึ้นไปเรื่อยๆถ้าไป หาสิ่งเหล่านี้มาด้วยการทำบาปดวงวิญญาณก็จะเป็นเปรตคือมีแต่ความหิวโหวยไม่มีความสุขหาความสุขไม่ได้หาความอิ่มไม่เจออันนี้เรียกว่าดวงวิญญาณของเปรตทำบาปเพราะความโลภส่วนดวงวิญญาณของอสุลกายคือพวกที่ทำบาปด้วยความกลัว กลัวสิ่งนั้นกลัวสิ่งนี้ก็เลยไปทำบาปไปทำลายเขาก่อนก ล, กลัวมดกลัวแมลงก็ไปฆ่ามดมาแมลงกลัวอะไรที่จะมาทำให้เราเดือดร้อนเสียหายก็ไปทำลายเขาไปทำลายเข า, ป, า, เขาป้องเพื่อป้องกันตัวเราเองอันนี้เรียกว่าทาบาปด้วยความกลัวทำบาปด้วยความกลั ว, ว, ว, ก, ลวก็จะกลายเป็นอสุรกายไปดวงวิ ญ, ญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัว มีแต่เรื่องหวาดกลัวมาให้มาให้พบให้เห็นอยู่เรื่อยๆส่วนพวกที่ไปนรกนี้ท่านบอกว่าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมตาต่อตาฟันต่อฟันไม่รู้จักการให้อภัยใครทำร้ายเราแล้ว เ, เราต้องตอบโต้ต้องล้างแค้น นี่จะทำให้ใจร้อนใจทุกข์พวกนี้เวลาตายไปก็เป็นดวงวิญญาณที่จะไปอยู่กับความทุกข์ร้อนจากเรื่องราวของการอาฆาตพยาบาทจะพบจะเห็นแต่เรื่องเรื่องอาฆาตพยาบาทต่อสู้กันจองเวรจองกรรมกันไปถ้ามาศึกษามาฟังเทศฟังธรรม ก็จะได้เรียนรู้ถึงภัยที on, mm ่จะคุกคามจิตใจต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วถ้าไม่อยากที่จะต้องไปเป็นดวงวิญญาณในอบายก็อย่าไปทำบาปให้มาซื้อประกันภัยของพระพุทธศาสนาประกันภัยของพุทธศาสนาก็คือศีล และการละอบายามุกต่างๆต้องละอบายามุกด้วยแล้วก็ต้องรักษาศีลด้วยที่ให้ละอบายามุกเพราะว่าถ้าไปเสพอบายามุกแล้วมันจะบังคับหรือมันจะกดดันให้ให้ใจไปทำบาปต่อไปเพราะอบายามุกนี้ไม่มีรายได้มีแต่รายจ่าย พอเสพบะบายามุกก็จะมีแต่เสียเงินเสียทองพอเงินทองไม่พอใช้ก็ต้องไปหาโดยวิธีทำบาปเพราะพวกเสบบะบายามุกนี้มักจะไม่ไปทำงานกันไม่ไปมีอาชีพสุดจลิตพอขาดเงินขาดทองก็จะไปหาเงินทองด้วยอาชีพที่ทุจริตไปลักขโมยบ้างไปป้นไปจี้บ้าง แล้วถ้าเกิดต่อสู้กันก็อาจจะมีการฆ่ากันขึ้นมาแต่ถ้าไม่เสพอบายมุขก็จะไม่มีอะไรมากดดันเพราะจะมีรายได้พอเพียงต่อการใช้สอยนี่อบายมุขมีอยู่ห้าคือหนึ่งการดื่มสุรายาเมาสองการเล่นการพนันสามการเที่ยวเตร 4. ความเกลียดคร้านหาการครบคนชอบอบายามุขเป็นมิตรเก็ถ้าเราไปคบกับคนที่ชอบดื่มสุราเขาก็จะชวนเราไปดื่มสุราคบกับคนที่ชอบเล่นการพนันก็จะชวนเราไปเล่นการพนั น, บ น, น, นคบกับคนที่ชอบเที่ยวเขาก็จะชวนเราไปเที่ยวคบกับคนที่ชอบความเกลียดคร้านเขาก็จะชวนเราไปเกลียดคร้าน แทนที่จะไปชวนเราไปทำงานก็กลับชวนเราไปเล่นไปทำอะไรที่ไม่เกิดรายได้เฉะนั้นต้องละอบายามุขเหล่านี้เพราะดื่มสุราก็มีต้องเสียเงินเสียเงินแล้วก็ทาให้เสียสติขาดสติบางทีไม่มีสติก็ไปทำงานไม่ได้ก็จะตกงานต่อไปถ้าขาดงานบ่อยๆจากการดื่มสุรา ก็อาจจะถูกเขาไล่ออกจากงานไปได้แ้วเวลาดื่มสุดาเมาก็ควบคุมสติไม่ได้ควบคุมความคิดความพูดการกระทาไม่ได้พอคิดอยากจะพูดอะไรก็พูดไปทำไปซึ่งมักจะออกมาในรูปแบบที่ไม่น่าดูพูดจาหยาบคายทำร้ายข้าวของทรัพย์สินต่างๆ เพราะอารมณ์ไม่ดีเวลาดื่มสุรานี่คือพิษของอบายามุขสุรายาเมาเล่นการพนันก็มีแต่จะขาดทุนเพราะว่าเวลาถ้าเล่นแล้วได้ก็คิดว่าเก่งก็อยากจะเล่นต่อพอเล่นไปแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียเพราะเสียก็อยากจะได้คืนก็เล่นอีกก็จะไม่หยุด ได้ก็เล่นต่อเสียก็ต้องเล่นต่อแล้วมันก็ในที่สุดมันก็หมดเนื้อหมดตัวเดี๋ยวก็ต้องขายทรัพย์สินที่มีอยู่ขายทรัพย์สินแล้วอาจจะต้องขายบ้านต่อขายที่ดินต่อหมดเนื้อหมดตัวท่านบอกว่าขโมยขึ้นบ้านสิบครั้งก็มันก็ได้แต่บ้านอย่างเดียวไอ้มันได้แต่ของอย่างเดียวบ้านมันเอาไปไม่ได้ที่ดินเอาไปไม่ได้ ไฟไหม้บ้านสิบครั้งมันก็ได้ไหมแต่บ้านมันยก็ที่ดินมันก็ยังเอาไปไม่ได้แต่ผีพนันนี่มันเอาไปหมดเลยเอาทั้งทรัพย์สินเอาทั้งบ้านเอาทั้งที่ดินไปหมดพอเมื่อเล่นเสียแล้วก็อยากจะได้คืนเมื่อไม่มีเงินเล่นก็ต้องขายทรัพย์สินที่มีอยู่ขายบ้านขายที่ดินแล้วกลับไปเล่นใหม่เดี๋ยวก็หมดเนื้อหมดตัวแล้วจะเจ็บตัวต่อไปหรือตายได้ พราถ้ายัางอยากเล่นต่ออาจจะไปยืมเงินกับนักเลง น, นักเลนพนันด้วยกันก็ได้พอไปยืมเงินเขาแล้วเดี๋ยวถ้าไม่มีเงินใช้เขาเขาก็ต้องมาข่มขู่มาทวงนี่ถ้าไม่ใช้ก็อาจจะถูกเขาทำร้ายร่างกายเป็นการว่ากล่าวตักเตือนถ้ายัางไม่มีจ่ายเขาเขาอาจจะต้องฆ่าก็ได้เพื่อจะได้ไม่เป็นตัวอย่าง ของพวกที่จะมากู้หนี้ยืมสินต่อไปอ น, นี่คือพิษของการเล่นการพนันถ้าถ้าเล่นเงินถ้าไม่ไปกู้หนี้ยืมสินเขาก็อาจจะต้องไปลักขโมยไปลักขโมยไปโกหกหลอกลวงไปหาเงินด้วยวิธีช่อฉนตอนนี้มีแชร์ลูกโซ่ระบาดใะ ก็พวกนี <boundaries> ้ก็ไม่เป็นพวกที่ไม่ทำมาหากินโดยสุดจริตพวกที่ชอบหาเงินแบกง่ายๆด้วยการโกหกดอกลงพื่นนี่คืออบายมุขการเที่ยวก็เหมือนกันการเที่ยวก็มีแต่การเสียเงินไปเที่ยวมีแต่ต้องควักกระเป๋าซื้อนู่นซื้อนี่จ่ายค่านู่นจ่ายค่านี่ไม่มีรายรับ นอกจากเป็นมักกุเทศเท่านั้นะถึงจะมีรายรับนอกนั้นก็จะมีแต่รายจ่ายใช่ไหมถ้าอยากจะเที่ยวก็ต้องไปเที่ย ว, ป เ, ยวเป็นแบบมักกุเทศอย่างนี้ไม่เป็นไม่เป็นอบายามกุกเป็นวิธีเลี้ยงชีพเป็นไกด์เนี่ยพวกไกด์นี่เขาไปเขาพวกเที่ยวเนี่ยต้องจ่ายเงินแต่พวกไกด์นี่รับเงินรับทั้งค่าเงินเดือนรับทั้งค่าน้ําชาจากตามร้านต่างๆ มีรายได้ดิบดีแต่อยากจะเที่ยวก็ต้องเที่ยวเป็นแบบมักคุเทศนสแต่ถ้าเที่ยวแบบนักท่องเที่ยวเดี๋ยวก็หมดเนื้อหมดตัวเพราะมีแต่รายจ่ายไม่มีรายรับนั่นเองพอไม่มีรายรับเงินทองไม่พอใช้ก็อาจจะต้องไปหาวิธีที่ไม่ถูกกฎหมายไม่ถูกศีลธรรมอโดยการช่อโกงหลอกลวงลักทรัพย์ของผู้อื่น นี่คืออบายมุกที่พระเจ้าต้องมารวมไว้กับการรักษาศีลต้องละอบายมุกแล้วจะทำให้การรักษาศีลนี่ง่ายขึ้นไม่ยากเพราะไม่มีอะไรมาคอยบีบคั้นให้จิตใจต้องไปทําบาบนั่นเองรำมาหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ให้มีความมักน้อยสันโดษความมักน้อยสันโดษนี้จะช่วยไม่ให้เราไปทําบาป พ่าเราจะใช้น้อยๆใช้เท่าที่จำเป็นใช้กับสิ่งที่จำเป็นสิ่งที่ฟุ่มเฟือยจะไม่ใช้สิ่งที่จำเป็นก็คือปัจจัยสีนี่อาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคแล้วก็ไม่ต้องเป็นของหรูหราไม่ต้องเป็นของแพงๆขอให้ใช้ประโยชน์ได้ก็พอ อาหารกินแล้วให้มันอิ่มดับความหิวได้ก็พอเสื้อผ้าก็ไม่ต้องราคาแพงแพงว่ามาใช้ปลกปิดร่างกายป้องกันอากาศหนาวเย็ยนป้องกันแมลงสัตว์กัดต่อยได้ก็พ อ, อที่อยู่อาศัยพอหลบแดดหลบฝนได้ก็พอ อ, อย่ารักษาโรค ก, ก็รักษาตามโรงพยาบาลของรัฐก็ได้สามสิบบาทรักษาทุกโรค ถ้ามีความมักน้อยการใช้จ่ายมันจะน้อยเมื่อใช้จ่ายน้อยก็จะมีเงินพอใช้เงินทางที่หามานี้ก็จะมีเก็บสำมลองไว้ได้ด้วยเพราะจะไม่เอาไปใช้กับอบายามุขไม่เอาไปใช้กับการซื้อของฟุ่มเฟือยของหรูหราของที่ไม่จําเป็นก็มีเงินที่จะเก็บไว้สำมลองเวลาที่ เจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อเวลาหรือเวลาตกงานก็ยังจะมีเงินทองเอาไว้ใช้ใช้สอยกับปัจจัยสีที่จำเป็นต่อการดำรงชีพก็จะไม่ถูกบีบคั้นให้ต้องไปทำผิดกฎหมายไปทำผิดศีลธรรมนั่นเองนี่คือสิ่งที่เราต้องมีถ้าเราต้องการที่จะป้องกันการกระทำบาปแล้วก็ รักษาศีลห้าไว้ให้ได้ตลอดเวลาทุกวันทุกเวลาคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่ดื่มสรารยาเมาและอบายามุขต่างๆถ้าทำได้รับประกันได้ว่าตายไปจะไม่ไปอบายอย่างแน่นอนนี่คือเรื่องของการประกัน ภัยของจิตใจของพวกเราที่พระพุทธศาสนาจะขายให้กับเราน่ถ้าเรายังไม่สามารถรักษาศีลได้บริสุทธิ์อาจจะมีการพังเผลอบ้างในบางโอกาสบางเวลาหรือลุด้วยโทสะโมหะหรือโลภะทำให้อาจจะไปทำบาปเป็นครั้งเป็นคราวเราก็พยายามทำบุญเพื่อมาอ มาต้านบาปที่จะพาเราไปเกิดในอาบายถ้าเราทำบุญมากกว่าทำบาปเวลาตายไปนี้เรายังไม่ต้องไปรับผลบาปผลบาปนี้เขารอลงอายาไว้ก่อนให้ไปรับผลบุญก่อนถ้าทำบุญมากกว่าทำบาปเวลาตายไปไปรับรางวัลในสวรรค์ก่อนไปเป็นเทวดาก่อนนั้น ถึงแม้ว่าเราจะรักษาศีลแต่เราก็อาจจะมีการผิดพลาดได้งั้นเพื่อความปลอดภัยก็ควรจะทำบุญไว้เรื่อยๆทำบุญบ่อยๆทำบุญให้มันติดเป็นนิสัยเพราะการทำบุญนี้ถ้าทำบ่อยๆทำติดเป็นนิสัยแล้วมันจะทำอยู่เรื่อยๆ ถ้าทำเป็นโอกาสนานๆนนทำทีเช่นวันเกิดทำทีหนึง่งวันปีใหม่ทำทีหนึงน่งนี่มันอาจจะน้อยกว่าบาปที่เราทำก็ได้แต่ถ้าเราทำเป็นนิสยัยเช่นต่อไป น, นี้เราจะทำบุญทุกวันวันละสิบบาทยี่สิบบาทหรือเท่าไหร่ตามกำลังของเราถ้าใส่บาทได้ก็ใส่บาทไปใส่บาทไม่ได้จะให้ขอทานไปก็ได้ หรือถ้าไม่อยากจะให้ขอทานอยากจะให้วัดก็ใส่กระปุกไว้ก่อนก็ได้ใส่กระปุกไว้วันละสิบบาทยี่สิบบาทพอถึงเวลาว่างมีโอกาสจะไปวัดก็เอาเงินที่ในกระปุกนี้ไปถวายวันเป็นค่าน้ำค่าไฟเป็นค่าบำรุงภาพิกษุอะไรต่างๆแล้วแต่อยากจะทำแบบไหนก็ทำไปถ้าทำทุกวันมันจะมันจะติดเนี่ย แล้วมันจะวันไหนไม่ไม่ได้ทำมันรู้สึกว่ามันขาดอะไรแต่ถ้านานๆทำทีมันจะไม่รู้สึกว่าขาดอะไรเพราะมันขาดมากกว่าทำมันมันก็เลยแต่ถ้าทำทุกวันนี่พอวันไหนขาดนี่มันจะรู้สึกเฮ้ยวันนี้ขาดอะไรไปญาติโยมบางคนนี่ใส่บาตรทุกวันวันไหนตื่นสายใส่ไม่ทันนี่ต้องขับรถมาที่วัดมามาใส่ที่วัดหรือต้องขับรถตามพระที่เดินบิณฑบาตไป เพราะว่ า, าทําแล้วมันมีความรู้สึกดีไงเวลาทำบุญแล้วรู้สึกว่ามีความอิ่มใจมีความสุขใจมีความรู้สึกปลอดภัยว่าเราได้ทำความดีในวันนี้เชื่อว่าความดีที่เราทำนี้จะคุ้มครองเราดัางนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ไปอบายนอกจากรักษาศีลแล้วก็ต้องทาบุญด้วยเผื่อไว้เผื่อวันไหนเราเราไปทาบาป ด้วยความเผลอพลัง้งด้วยความไม่ตั้งใจด้วยความรู้ด้วยความโทสะบางทีใครโกรธขึ้นมาก็อาจจะไปทำร้ายร่างกายเขาก็ได้หรือบางครั้งอาจจะถึงกับฆ่าเขาเลยก็มีหรืออาจจะเกิดความโลภขึ้นมาอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่มีเงินซื้อก็อาจจะไปไปขโมยไปไปคว้าของคนอื่นมาอันนี้เราก็ต้อง เราก็ต้องเอาเอาบุญนี้มาต้านได้บุญไม่ลบล้างบาปเพียงแต่บุญนี้จะจะมาดึงใจให้เราไปในทางของบุญ เ, เวลาตายนี้บุญกับบาปที่เราทำมันจะมาแย่งกันเหมือนกับคนชักกระเยาะกันชักกระเยาะฝ่ายหนึ่งก็จะดึงไปฝทางหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็จะดึงไปอีกทางหนึ่งบุญก็จะดึงใจไปทางสวรรค์ บาปก็จะดึงใจไปทางอบายเห็นั้นถ้าเราทําบาปน้อยทําบุญมากกว่าบาปบุญก็จะดึงเราไปสวรรค์ก่อนจนกว่าบุญกับบุญอ่อนกําลังลงแล้วมีมีกําลังเท่ากับบาปตอนนั้นบาปก็ดึงไปอบายไม่ได้บาปบุญก็ดึงไปดึงให้อยู่ในสวรรค์ไม่ได้ก็มาอยู่เป็นมนุษย์นียช่วงไหนที่บุญกับบาปในใจเราเท่ากัน ก็เป็นช่วงที่เราจะมาเกิดเป็นมนุษย์กันมาสร้างบุญสร้างบาปกันใหม่แล้วพอรอบต่อไปถ้าเกิดบาปมากกว่า บ, บุญทีนี้แหละบาปมันก็จะเดึงเราไปเกิดในอบายต่อแต่ถ้าเรากลับมาเป็นมนุษย์แล้วเราก็มาทำบุญต่อมารักษาศีนต่อพยายามทำบาปให้น้อยที่สุดหรือไม่ทำเลยทำแต่บุญเวลาตายไปบุญมันก็จะดึงให้เราไปสวรรค์ แต่เราก็ยังต้องกลับมาเกิดอยู่ดีเราก็ยังต้องกลับมาเกิดเพราะว่าบุญกับบาปนี้ไม่สามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าเราอยากจะไม่กลับมาเกิดนี้นอกจากไม่ทำบาปทำบุญแล้วเรายังต้องมาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่ในตัวที่สามคำสอนของพระพุทธเจ้าตัวที่สามตัวนี้เป็นตัวประกันชีวิต ปการให้เราไม่มาเกิดเมื่อเราไม่มาเกิดเราก็จะไม่มเราก็จะไม่มาตายเนี่ยความตายมันเกิดจากการมาเกิดนี่ถ้าเกิดปั๊บประเดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายไปถ้าไม่ต้องการจะตายก็อย่ามาเกิดวิธีที่จะไม่มาเกิดก็ต้องชําระใจให้สะอาดบริสุทธ นี่คือการซื้อประกันชีวิตของศาสนาพุทธคือให้เรามาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เครื่องซักพอกใจคืออะไรก็คือศีลสมาธิปัญญานะที่เราต้องสร้างขึ้นมาต้องสร้างศีลแปดศีล น, น, นี้ไม่ใช่ศีลหนะ้าศีล น, นนี้คือศีลแปดหรือศีลสิบศีลแปดก็พวกคารวะญาติโยมที่เข้าวัดไปอยู่วัดในวันพระนี่ มาถือศีลแปดนุ่งขาวห่มขาวถ้าศีลสิบก็พวกที่บวชเป็นเนรหรือบวกเป็นชีพวกชีนี้เขาจะถือศีลของสัมมาเณรถือศีลสิบแต่ชีบางพวกก็ถือศีลแปดเพราะยังจับต้องเงินทองอยู่แต่ถ้าพวกที่ไม่จับต้องเงินทองนี้เหมือนสั ม, มเณรก็ถือศีลสิบไป แล้วอีกพวกก็ไปถือศีลสองอยบเจ็ดก็เป็นเพพระภิกษุไปสมัยพุทธกาลผู้หญิงที่ไปบวชเป็นภิกษุก็เป็นภิกษุณีก็ถือศีลสามร้อยสิบอ็ดข้ อ, อ น, นี่คือเครื่องซักพอกใจต้องซักพอกด้วยศีลก่อนต้องมีศีลอย่างใดอย่างหนึ่งศีลแปดก็ได้ศีลสิบก็ได้ศีลสองอยบเจ็ดก็ได้ ศีลสามอสิบอดก็ได้สมัยนี้ญาติโยมผู้หญิงอยากจะเป็นภิกษณุณีบวชให้คนอื่นเขาบวชไม่ได้เราบวชเองก็ได้การบวชก็คือการถือศีล น, นั่นเองใช่ไหมเราก็ไปอ่านเลยภิกษุณีมีศีลกี่ข้อสามอสิบอข้อเราก็รักษามันสอยสิบอดข้อเราก็เป็นภิกษุณีขึ้นมาแล้วไม่เห็นต้องไปขอให้ใครมาบวชเราเลยเราบวชเราเองก็ได้พระพุทธเจ้าให้ใครบวชหรือเปล่า พระพุทธเจ้าก็ไม่ไม่มีใครบวชท่านท่านก็บวชตัวท่านเองะท่านบวช ด, ด้วยการนักษาศีลของท่านไปท่านก็อันนี้การจะเป็นนักบวชนี่อยู่ที่การมีศีลหรือไม่มีศีลนั่นเองถ้าถือศีลแปดได้ก็ถือว่าเป็นนักบวชแล้วนักบวชระดับชั่วคราวก็ศีลแปดเพราะนักถาได้วันสองวันนะเดี๋ยวก็ต้องกลับไปกลับไปอยู่บ้านเอ ก็ไปเปลี่ยนเป็นเป็นศีลห้าไปแต่ถ้ามาวัดก็ถือศีลแปดไปถ้าอยู่ถาวรก็เปลี่ยนเป็นศีลสิบศีลสองร้อยสิบเจ็ดศีลสามร้อยสิบเอ็ดไปก็มีเท่านี้เรื่องของศีลไม่ยุ่งยากอะไรมีศีลบันทึก มีบันทึกไว้ในพระคำภีในพระไตรปิฎกอยากจะเป็นภิกษุนีก็ไม่อ่านดูศีน์สาม้อยสีิบเอ็ดข้อของภิกษุนีมีอะไรบ้างห้ามไม่ทำมาห้ามไม่ให้ทำอะไรก็อย่าไปทำตามที่เขาห้ามเราก็ถือว่าเราเป็นภิกษุนีขึ้นมาแล้วภิกษุนีหรือภิกษุนี้ไม่ได้อยู่ที่กนหัวห่วมผ้าเหลืองเนะี่ยกนหัวห่วมผ้าเหลืองไม่รักษา ส, สีนเดียวก็จับเสกอยู่ดีเห็นไหอ แต่ถ้าไม่โกนหัวไม่ห่มผ้าเหลืองแต่รักษาศีลของภิกษุหรือภิกษุณีได้ก็ถือว่าเป็นภิกษุเป็นภิกษุณีเนี่ยะดังนั้ น, น, น, นท่านที่เป็นสุภาพสตรีอย่าไปน้อยใจว่าสมัยนี้บวชเป็นภิกษุณีไม่ได้บวชได้ เพียงแต่ไม่มีใครบวชเท่านั้นเลยไม่มีใครมาบวชให้เราเมื่อไม่มีใครมาบวชให้เราเราก็ต้องอาศัยพระพุทธเจ้าบวชให้เราพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเราอยู่ในคัมภีร์นั่นแหละถ้าเธออยากจะหาเรามาหาเราที่คัมภีร์มาอ่านธรรมะเนี่ยคำสอนของเรานี้จะเป็นศาสดาของพวกเดอแทนเราหลังจากที่เราตายไปแล้ว นี่คือคำพูดก่อนที่ท่านจะจากพวกเราไปว่าพวกเราจะไม่ได้อยู่ปราศจากศาสดาจะไม่ได้อยู่ปราศจากพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าจะไปอยู่ในพระคัมภีร์พระไตรปิฎกถ้าอยากจะเรียนรู้อะไรจากเราให้ไปเรียนรู้จากพระไตรปิฎกถ้าอยากจะรู้ว่าเป็นภิกษุณีเป็นอย่างไรก็ไปอ่านคัมภีร์ของภิกษุณีดูก็จะมีบอกข้อหนึ่งถึงข้อ3 11้อข้อ เอามาอ่านแล้วก็มาท่องจําไว้แล้วก็พยายามอย่าไปละเมิดข้อห้ามต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นภิกษุณีแล้วเขาเรียกว่าภิกษุณีในใจนะทางกายก็ยังโกนหัวหรือไม่โกนหัวห่มผ้าหรือไม่ห่มผ้าก็ไม่สําคัญเพราะการเป็นภิกษุณีหรือเป็นภิกษุจริงๆนี่ไม่ได้เป็นที่ร่างกายเป็นที่จิตใจ เหมือนกับการเอาผ้าเหลืองไปห่มลิงอย่างเงี้ยจะทําให้ลิงเป็นพระขึ้นมาหรอวะลิงมันก็ยังเป็นลิงอยู่นั่นนะะมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายนะศีลมันอยู่ที่ใจ เ, เวลาเราทําบาปเราใช้ใจเป็นผู้กระทําบาปเวลาเราทําบุญเราใช้เป็นใช้ใจเป็นผู้กระทาบุญร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือรับใช้ใจอีกทอดหนึ่งใจสั่งให้ร่างกายมาวัดเนี่ย แต่ใจนี่แหละเป็นผู้อยากจะทำบุญจึงสั่งให้ร่างกายพาใจมาวัดแล้วก็มาทำบุญที่วัดเนี่ยมาฟังเทศฟังธรรมมาบริจาคเข้าของเงินทองมารักษาศีลใจทั้งนั้นแหละใจเป็นผู้กระทำดังนั้นนะถ้าเราอยากจะซื้อประกันชีวิตของพระพุทธศาสนาคือการไม่กลับมาเกิดเด็กต่อไป เราต้องชำระสิ่งที่พาให้ใจเราพาพาให้ใจเรามาเกิดกันสิ่งที่พาให้ใจเรามาเกิดพระพุทธเจ้าเรียกว่ากิเลสตัณหานี่เองความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆความอยากมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายความอยากเป็นใหญ่เป็นโตความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่อยากเป็นผู้น้อยไม่อยากเป็นยาก คนยากจนนี่ยทอยากเหล่านี้มันจะทำให้ใจดิ้นดิ้นหนีพอเจอความแก่ก็พยายามจะดิ้นหนีไปหาความหนุ่มความสาวเห็นไหมคนที่แก่นี้ถึงมักจะไปทำสัญญกรรมกันนไปไปยอมผมยอมเผผากันเนี่ยเนี่ยเป็นการหนีหนีความแก่ไม่ยอมรับสภาพกับความแก่ พอตายมันก็หนีความตายไปเกิดใหม่ไปมีร่างกายอันใหม่พอร่างกายนี้ตายไปมันก็ไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่อีกถ้าไม่อยากจะไปเกิดใหม่ต้องหยุดความอยากทั้งสามนี้ให้ได้หยุดความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆหยุดความอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากร่กรวย อยากได้ลาบยศสารเสริญเนี่ยต้องละความอยากเหล่านี้แล้วก็ต้องละความอยากของของสิ่งที่เราไม่ชอบความยากจนความทุกข์ยากลำบากความแก่ความเจ็บความตายที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราแล้วหนีมันไม่พ้นเราอยากไปอยากไม่ไม่ไม่เป็นสิ่งเหล่านี้เพราะมันจะทำให้เราดินหนีไปหาร่างกายอันใหม่กันนั่นเอง ถ้าเราชำระได้หยุดความอยากหยุดความโลภต่างๆได้ใจเราก็จะไม่มีอะไรมาให้เรามาเกิดมาเกาะร่างกายอันใหม่ใจเรานี่เป็นเหมือนคนขีม่ม้าเนี่ยร่างกายเรานี่เป็นเหมือนมา้าใจอยากจะไปไหนมาไหนคนขีม่ม้าอยากจะไปไหนมาไหนก็กระโดดขึ้นหลังมาแล้วก็สั่งให้มา้าไปทางนู้นไปทางนี้ใจที่อยากจะ ใช้ตาหูจมูกนิ้นกายก็ต้องไปขี่ร่างกายไปไปเชิดร่างกายเหมือนคนที่เชิดหุ่นเนี่ยไปเชิดร่างกายไปสั่งให้ร่างกายให้พากูไปเที่ยวหน่อยสิพาไปดูหนังไปฟังเพลงพาไปกินไปดื่มอะไรเนี่ยอันนี้ใจเป็นคนสั่งความอยากของใจเป็นคนสั่งอยากดูก็ต้องสั่งให้ร่างกายพาพาใจไปดูสิ่งที่อยากดู อยากฟังก็สั่งให้ร่างกายพาพาใจไปฟังในสิ่งที่ใจอยากจะฟังเนี่ยต้องชำระสิ่งเหล่านี้สิ่งที่จะชำระได้ก็คือศีลสมาธิปัญญานี้เครื่องซักพอกใจศีลก็จะเป็นตัวเป็นเหมือนรัว้วเป็นเหมือนกำแพงกั้นกั้นความอยากอยากไปดูหนังก็ไปไม่ได้อยากไปนอนกับแฟนก็ไปไม่ได้เพราะมีกำแพงกั้นไว้ แต่กั้นไว้แต่มันก็ยังไม่หยุดความอยากมันก็ยังอยากอยู่ในกำแพงนั้นวิธีที่จะทำให้มันหยุดพอมีศีลกั้นมันไว้แล้วก็คือเอาเชือกมามัดมันไว้มัดความอยากไว้ตอนต้นก็ใช้กำแพงห้อมล้อมมันไว้ก่อนถ้าไม่มีกำแพงไม่มีศีลมันก็ไปเตลดิดเปิดเปิงไปทุกแห่งทุกขนได้เหมือนเวลาเราจะจับวัวมาเชือดเนี่ยเราถ้าไม่มีคอก ขังมันไว้มันอาจจะออกไปอยู่ตามกลางทุ่งตังในป่าที่ไหนกว่าจะไปจับตัวมันมาได้ก็เหนื่อยหาตัวมันยากแต่ถ้าเรามีข้อขังมันไว้ก่อนพอถึงเวลาเราจะเชือดมันจะฆ่ามันเราก็เอาเชือกไปมัดมันไว้ให้มันอยู่นิ่งๆ นี่คือศีลศีลก็เป็นเหมือนคอกเหมือนกำแพงกัน้นไม่ให้ความอยากที่เราต้องการจะข้าที่เราที่ต้องการจะชำระนี้ไม่ให้มันออกไปไกลถ้ามันไม่มีคอกมันจะไปไหนไม่รู้เนี่ยถ้าวันนี้ไม่ถือศีลแปดปานนี้ไปอยู่แถวที่ไหนก็ไม่รู้ร้านกาแฟหรือโรงน้าชาหรือ สถานที่ท่องเที่ยวตรงไหนก็ไม่รู้หรือที่ช้อปปิ้งก็ไม่รู้เนี่ยมันไปได้หมดอ่ะแต่พอมาถือศีนแปดแล้วมันไปไม่ได้สีลสีลเห็นไม่เห็นพระเนนไปท่องไปเที่ยวแถวตามศูนย์การค้าบ้างเปล่าไปตามโรงภาพยนตร์ตามโรงน้ำชากาแฟอ่ะ ไปไม่ได้เพราะถือศีลแปดห้ามไว้ศีลสิบศีลเก้าห้ามศีลสองร้อยสิบเอ็ดศีลสามร้อยสิบเอ็ดห้ามห้ามไม่ให้ออกไปเพ่นพลานเขาเรียกว่าสถานที่อโคจรไม่ให้ไปสำหรับผู้ที่เป็นนัก บ, บวชนี่ไม่ไปในที่ที่ผู้คลองเรือนเขาไปกันให้อยู่ตามวัดตามวาอยู่ในอคอกวัดนี่ก็เป็นเหมือนกลง่งเหมือนอค้อง คนมาอยู่วัดจึงไม่จังจะไม่ค่อยชอบบากันท่านโบราณก็บอกว่าเวลามานี่เหมือนหากินเวลาเข้าวัดนี่เหมือนหากินคอพับเวลาออกจากวัดนี่เหมือนไก่บินเนี่ยพวกที่มาอยู่จำศีลเนี่ยมาด้วยความจำใจเวลากลับบ้านนี่โอ้ยดีอกดีใจได้ได้กลับบ้านแล้วเนี่ยมาใช่บาปใช้หนี้ใช้กรรมสามวันเจ็ดวัน เนี่ยพราะมันมาถูกมาจับเข้ากลงเพราะต้องมาถือศีลศีลแปดศีลสิบศีลสองรอยยีสิบเอ็ดศีลสองรอยสิบเจ็ดศีลสามร้อยสิบเอ็ดข้อเนี่นี่เป็นข้อขังความอยากของคนเราของใจเราเนเพื่อที่เราจะได้จับความอยากมามัดได้ง่ายไงพอเรามีข้อแล้วเรารู้แล้วมันอยู่ที่ไหนไม่ต้องไปหาขั้นต่อไปเราก็มา จับมันให้อยู่นิ่งๆก็ด้วยการนั่งสมาธิก่อนที่มันจะทำให้มันนั่งนิ่งๆได้ต้องไปหาเชือกมามัดมันไว้ก่อนเชือกก็คือสติที่เราต้องเจริญกันเราต้องหยุดความคิดความคิดนี้เป็นตัวที่ทำให้จิตวิ่งไปวิ่งมาทำให้จิตไม่อยู่นิ่งไม่สงบเราต้องมาหยุดความคิดสิ่งที่จะหยุดความคิดได้ก็คือสติเราก็ต้องไปหาสติมา ตอนนี้สติเรามีกำลังไม่พอหยุดความคิดไม่ได้ถึงแม้จะถือศสียนก็ยังอดคิดถึงขนมนมเนยไม่ได้เดี๋ยวตอนเย็นนี้น้ำลายไหลหิวเลยต้องจับไปสวดมนต์ให้ไปสวดมนต์เนี่ยวิธีสวดมนต์ก็คือเป็นการไปเอาเชือกมามัดใจไม่ให้ไปคิดถึงขนมนมเนยอาหารต่างๆพอมีการสวดมนต์มันก็ได้ไปคิดถึงเรื่องอาหารไม่ได้ ความอยากกินอาหารมันก็หายไปต้องมาฝึกสติกันมาคอยควบคุมความคิดถ้าปล่อยให้คิดเดี๋ยวักเดี๋ยวสีลขาดเดี๋ยวอยู่บ้านเดี๋ยวอยู่ที่นี่ไม่ได้พอคิดถึงคนที่บ้านคิดถึงนู่นคิดถึงนี่อยากจะกลับบ้านขึ้นมาทนอยู่ไม่ได้ขอลาศีลกลับบ้านแต่ถ้ามาควบคุมความคิดไม่ให้คิดถึงชีวิตของคารวะชีวิตของผู้คองเรือนได้ ไม่คิดถึงเรื่องที่เราเคยทำในขณะที่เราอยู่บ้านได้มันก็จะลืมเมื่อลืมมันก็จะไม่มีความอยากจะไปทำสิ่งต่างๆมันก็จะนิ่งสงบได้พอนิ่งสงบมันก็จะเย็นจะสบายมีความสุขขึ้นมาทำให้รักษาศีลได้ทำให้อยู่วัดได้แต่เวลาที่ไม่มีสติเวลาออกจากสมาธิมา ถ้าไม่ควบคุมเดี๋ยวมันก็คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ขึ้นมาอีกมันก็จะไปอยากจะไปทำนูน่นทำนี่วิธีที่จะทำให้ความอยากมันหายไปขั้นต่อไปก็ต้องมามาใช้ปัญญามาฆ่าความอยากไว้สตินี้เพียงแต่มัดความอยากไว้ไม่ให้มันดิ้นถ้าอยากให้ความอยากตายนี่ต้องใช้ปัญญาซึ่งเป็นเหมือนมีดที่จะมาเฉือน มาเชื้อดมาเฉือนความอยากให้ตายปัญญาคือเหตุผลความจริงว่าถ้าเราไปทำตามความอยากมันจะทำให้เราสุขเดี๋ยวเดียวเวลาเราอยากดูหนังเราก็ได้ดูก็มีความสุขแต่ความอยากดูหนังเรื่องต่อไปมันจะโผล่ขึ้นมาอีกมันไม่หมดดูเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวก็อยากจะดูเรื่องต่อไปแล้ว ถ, ถ้าไม่ได้ดูก็จะทุกข์ขึ้นมาอีก นั้นก็เวลาอยากดูอะไรก็ฝืนดีกว่ายอมทุกข์ถ้ามันทุกข์มากก็เข้าไปในสมาธิแทนไปนั่งสมาธิไปพุโทโธพุโทโธแทนที่จะไปดูหนังดูละครแล้วก็ไปนั่งสมาธิพุโทโธพุโทโธไปพอเราพุโทโธทำใจให้สงบได้ความทรมานใจก็หายไปความอยากที่เกิดจากความอยากที่ทำให้ทรมานใจก็หายไป ทำอย่างนี้ต่อไปทุกครั้งที่เกิดความอยากขึ้นมาความอยากมันก็จะอ่อนลงอ่อนลงแล้วเดี๋ยวมันก็จะหมดกาลังมันก็จะไม่มาอยากอีกต่อไปพอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจ <c oughs> เราก็ไม่มีอะไรที่จะมาดึงใจของเราให้มามีร่างกายอีกต่อไปเพราะเมื่อเราไม่มีความอยากดูก็ไม่ต้องมีตาเมื่อไม่อยากจะฟังอะไรก็ไม่ต้องมีหู เมื่อไม่อยากจะลิ activities activities, yeah. ้มรสอะไรก็ไม so ่ต้องมีลิ้นเมื่อไม่อยากจะดมกลิ่นก็ไม่ต้องมีจมูกเมื่อไม่ต้องการจะสัมผัสอะไรด้วยร่างกายก็ไม่ต้องมีร่างกายเเมื่อไม่มีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะก็ไม่ต้องไปมีร่างกายเมื่อไม่มีร่างกายก็ไม่มีการเกิดนั่นเองเมื่อไม่มีการเกิดก็จะไม่มีการตายตามมาเออนี่คือเป็นการประกันชีวิตคือ ประกันความตายต่อไปจะไม่มีการตายต่อไปแต่ร่างกายปัจจุบันนี้เป็นร่างกายที่มันเกิดมาแล้วห้ามมันไม่ได้แต่มันจะเป็นร่างกายสุดท้ายที่จะมาตายแต่จะไม่มีร่างกายอันใหม่มาตายอีกต่อไปถ้าเราซื้อประกันชีวิตของพระพุทธศาสนาได้ถ้าเราซื้อไม่ได้หรือซื้อแต่ไม่ซื้อ ร่างกายนี้ตายไปมันก็จะไปหาร่างกายอันใหม่ต่อแล้วไม่ใช่จะเป็นร่างกายอันเดียวท่านมันจะหาไปเรื่อยๆหาร่างกายที่หนึ่งแล้วก็พอร่างกายที่หนึ่งตายไปก็ไปหาร่างกายที่สองต่อไปหาไปเรื่อยๆเนร่างกายที่เราหากันมานี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นร่างกายระดับที่แสนล้านร่างกายแล้ว ถ้าอยากจะรู้ว่ามีมากน้อยเท่าไหร่เอาน้ําตาที่เราหลั่งในแต่ละครั้งที่เราได้ร่างกายมารวมกันท่านบอกว่าน้ําตาที่เราเคยหลั่งมานี่มันมากยิ่งกว่นาน้ําในมหาสมุทรเนี่ยเราเวลาเรามาเกิดเดี๋ยวเราก็ต้องเสียใจต้องทุกข์ใจต้องร้องห่มร้องไห้กันเศร้าโศกเสียใจต้องหลั่งน้ําตากันถ้าเราน้ําตาที่เราหลั่งในแต่ละครั้งที่เรามาเกิดแก่จเจ็บตายกันนี่ย มารวมกันนี่มันมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรนะคิดดี ว, ว่าจะต้องมาเกิดมาร้องหุม่มร้องไห้กันกี่แสนล้านครั้งกันถึงจะดังหลังน้ำตาได้มากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรนะแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปตราบใดที่เราไม่มาซื้อประกันกันไม่มาซื้อประกันชีวิตของพระพุทธศาสนาไม่มายุติการเกิดกันไม่มาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญากัน นี่คือเบีย้ยประกันของการซื้อประกันชีวิตก็คือต้องต้องสร้างศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาต้องเจริญศีลสมาธิปัญญาถึงจะมีเครื่องมือที่จะไปหยุดความอยากได้ถึงจะหยุดการเกิดได้ถึงจะหยุดความตายได้นะถ้าไม่มีศีลสมาธิปัญญาทําได้แต่บุญรักษาศีลห้าไม่ทําบาป ก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เวลาตายไปก็ไปเกิดในสวรรค์แล้วพอลงจากสวรรค์ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์พอเกิดมนุษย์ก็ต้องมาทำบุญอยู่เรื่อยๆไม่ทำบาปอยู่เรื่อยๆถ้าครั้งใดพังเผอไปทำบาปที่มันมากกว่าบุญตายไปก็ต้องไปเกิดในบายแทน ไปเป็นเดรลฉานไปเป็นเปรตเป็นอนรกกายเป็นนรกกลับไปกลับมาอย่างนี้ถ้าซื้อเพียงแต่ประกันภัยก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายแต่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ยังต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่ถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดมาตายก็ต้องซื้อประกันชีวิตด้วยซื้อสองอย่างเลยซื้อทั้งประกันภัยซื้อทั้งประกันชีวิตนะครแล้วก็จะทําให้ เราได้รับการคุ้มครองอย่างสมบูรณ์เต็มร้อยตายไปก็ไม่ไปเกิดในอบายถึงแม้ยังจะกลับมาเกิดใหม่ก็จะกเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆหรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มาชาระใจให้สะอาดต่อไปเพราะการชาระใจบางครั้งอาจจะทำไม่เสร็จในชาตินี้ก็ได้ทำไปได้ครึ่งหนึ่ง เ, เกิดอุบัติเหตุตายไป หรือเกิดมีโรคภัยระบาดติดติดเชื้อโรคตายไปไม่สามารถที่จะชำระใจให้สะราบริสุทธิ์ในชาตินี้ได้ชำระได้ครึ่งหนึ่งกลับมาก็ทำต่อได้เพราะส่วนที่ได้ชำระแล้วมันไม่สูญหายไปมันก็ มันก็ส่วนที่สะอาดก็สะอาดไปส่วนที่ได้กาจัดก็กาจัดไปส่วนที่ยังอยู่ก็ยังอยู่ต่อไปก็ต้องมามากาจัดส่วนที่ยังหลงเหลืออยู่ในใจต่อไปการมาเกิดของผู้ที่ได้ชำระใจนี้จึงมีแบ่งเป็นขั้นๆไว้ถ้าได้ชำระใจขั้นที่หนึ่งเนียเป็นพระโสดาบันก็ยังมีโอกาสที่อาจจะต้องกลับมาเกิดอีกจดชาติเป็นอย่างมาก เพราะว่าพอเป็นสโสดาปับ๊บอาจจะเจ อ, อุบัติเหตุโดอนรถชนตายลดความตายก็เป็นสโสดาบันกลับมาเกิดใหม่ก็ยังเป็นสโสดาบันอยู่แล้วก็มาชําระเพื่อให้ขึ้นสู่ขั้นที่สองคือขั้นสกิทาคามีถ้าขึ้นสู่ขั้นสกิทาคามีก็จะกลับมาเกิดอีกไม่เกินหนึ่งชาติ ของการมาเป็นมนุษย์นี้ไม่เกินหนึ่งชาติก็สามารถที่จะตัดความอยากที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้บรรลุถึงขั้นที่สามแต่ขั้นที่สามนี้ยังจะไปติดอยู่สวรรค์ชั้นพรหมอยู่ใหรก็ต้องไปไปชำระกิเลส ท, ที่ทำให้ติดอยู่สวรรค์ชั้นพรหมให้หมดไปถึงจะขึ้นสู่ขั้นที่สี่คือขั้นของพอาาระอรหันต์ได้ ขั้นของผู้ที่ไม่มาเกิดได้อย่างถาวรไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในใจพบอีกต่อไปก็คือพระ อ, อรหันต์หรือพระพุทธเจ้านี่เองขั้นนี้ก็ต้องออชําระความอยากทั้งสามอย่างนี้ให้หมดสิ้นไปความอยากเสพการความอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็ น, นกําจัดไปให้หมดไม่มีหลงเหลืออยู่ในใจ ใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์เต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขด้วยความอิ่มใจสุขใจจึงไม่มีความหิวที่อยากจะไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสอีกต่อไปไม่มีความอยากที่จะไปหาความสุขจากชาญขั้นต่างๆก็อยู่แบบไม่ต้องทำอะไรอยู่แบบมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีคือคนที่พอแล้วคนที่ไม่ต้องหาอะไรมาเพิ่มอีกแล้ว ถ้าเป็นแก้วน้ําก็เป็นน้ําที่เต็มแก้วแล้วแม้ว่าจะเติมน้ําเข้าไปอีกมากน้อยเพียงไรมันก็ล้นออกมาอันนี้ไม่จําเป็นถึงถึงไม่จําเป็นจะต้องไปเติมน้ําอีกแล้วพอเราเติมน้ําเต็มแก้วแล้วเราก็สบายแล้วมีน้ําเต็มแก้วให้เราดื่มตลอดเวลาแล้วน้ําแก้วนี้ก็เป็นแก้วมหัสัจรันดื่มเท่าไหร่น้ําก็ไม่หมดเนี่ยใจที่เป็นนิพพานนี้ ความสุขที่อยู่ในใจนี้เสษไปเท่าไหร่มันก็ไม่หมดมันก็ยังมีเต็มเปี่ยมอยู่ในหัวใจตลอดเวลาเป็นปรมังสุขขังอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับพระอรหันต์รูปหนึ่งพอท่านบรรลุแล้วท่านก็พึมพำพึมพำว่าสุขนอะสุขเนอะเดินไปไหนมาไหนก็พึมพำว่าสุขเนอสุขนอพระพระหนุ่มน้อยพวกบวชใหม่ ก็คิดว่าพระนี้ไม่มีสติไม่ควบคุมกายวาจาใจก็เลยไปฟ้องพระพุทธเจ้าว่าพระรูปนี้ไม่มีสติเลยพูดจา พ, พึมพำอะไรก็ไม่รู้ก็เลยเรียกมาสอบมาสอบพระพุทธเจ้ า, า, าถามว่าทำไมเธอถึงบ่นพึมพำพึมพำแต่มมไม่มีสติหรืออย่างไรเขาบอกว่าคนที่ตอบบอกว่าผมมีสติเต็มร้อยครับ แต่ความสุขที่ผมได้จากการกําจัดความอยากทั้งหลายให้หมดไปจากใจนี้มันมีอิทธิพลแรงจนกระทั่งมันทําให้ผมต้องพึมพำพึมพำก่อนที่ผมมาบวชผมเคยเป็นเศรษฐีมีทรัพย์สมบัติเข้าวของเงินทองเยอะแยะแต่มันไม่เป็นความสุขเหมือนกับความสุขที่ผมได้จากการทําใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่เลย ต่างกันเหมือนฟ้ากับดินมันจึงทําให้ผมอดที่จะอุทานออกมาพึมพำพึมพำไม่ได้ว่าสุขหนอสุขหนออยู่ที่ไหนก็สุขหนอเดินก็สุขนั่งก็สุขนอนก็สุขทําอะไรก็สุขไม่มีความทุกข์เลยไม่เหมือนตอนเป็นเศรษฐีเป็นเศรษฐีเดินก็ทุกข์นั่งก็ทุกข์เดินยืนก็ทุกข์นอนก็ทุกข์ทำอะไรก็ทุกข์ทุกข์กับเงินที่มีนั่นแหละ กลัวจะหายบ้างกลัวจะหดบ้างกลัวคนจะมายืมบ้างกลัวคนจะมาขาบงไว้บ้างทุกตลอดเวลาแต่พอผมมาได้นิพานนี่แล้วผมไม่รู้สึกทุกข์กับอะไรเลยสุขตลอดเวลาร่างกายแก่ผมก็ไม่ทุกข์ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยผมก็ไม่ทุกข์ร่างกายจะตายผมก็ไม่ทุกข์มันจึงทาให้ผมอดที่จะพึมพัออกมาไม่ได้ว่าสุขหนอสุขหนอนี่แหละคือ ความสุขที่เราได้จากการซื้อประกันชีวิตเนี่ยนอกจากไม่มาเกิดมาตายแล้วยังได้ความสุขที่ถาวรความสุขที่จีรังความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดเรียกว่าเป็นอนันตการเป็นความสุขอมตะความสุขอมตะก็คือความสุขของพระนิพพานความสุขที่เราได้ในโลกนี้เป็นความสุขชั่วคราว เป็นอะไรก็ตามเดี๋ยวพอตายไปมันก็หมดหรือพอพ้นตำแหน่งมันก็หมดแต่นี่ไม่มีวันพ้นตำแหน่งไม่ใครได้นิพพานแล้วไม่มีใครมาปลดได้ไม่มีใครมาบังคับให้กเกษียณอายุได้ <c oughs> เป็นนิพพานไปตลอดตอนนี้พระพุทธเจ้าเป็นนิพพานมาสองพันห้าร้อยกว่าปีแล้วไม่มีใครไปปลดพระพุทธเจ้าได้บอกท่านเป็นมานานแล้วเป็นให้คนอื่นเป็นบ้าง ไม่ต้องปลดเพราะตำแหน่งนี้มีหลายตำแหน่งใครมีความสามารถก็สามารถขึ้นไปครองตำแหน่งนี้ได้ทุกคนมีหลายไม่ใช่มีตำแหน่งเดียวเหมือนนายกนี่มีได้คนเดียวถ้าอยากจะได้คนใหม่ก็ต้องเขี่ยคนเก่าออกไปก่อนแต่นี่ไม่ต้องไปเขียพระพุทธเจ้าออกเพื่อนที่เราจะได้ไปนิพพานเพราะนิพพานนี่มีตำแหน่งว่างรอเยวอยู่ทุกคนใครมีคุณสมบัติ ใครมีศีลสมาธิปัญญาพร้อมบริบูรณ์ก็ไปนิพพานได้กันทุกคนไม่มีไม่มีจำนวนจำกัดรับรับเต็มที่รับเต็มใครมาสมัครใครมีศีล ส, สมาธิปัญญาครบร้อยก็ก็ไปครองพันนิพพานได้ทันทีไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายให้เหน็ดเหนื่อยการที่เรามาเกิดเพราะเราอยากจะมาหาความสุขกันใช่ไหม พอมาเกิดปั๊บเราก็เอาร่างกายพาเราไปหาความสุขไปเที่ยวไปกินไปดื่มกันและความสุขที่เราได้จากการไปกินไปเที่ยวไปดื่มนี้มันสู้ความสุขที่ได้จากการทําใจให้บริสุทธิ์ไม่ได้ทําใจให้เป็นนิพพานไม่ได้พอได้เป็นใจเป็นนิพพานแล้วไม่อยากจะได้ความสุขแบบอื่นไม่อยากจะได้ความสุขจากทางร่างกายก็เลยไม่ต้องมาเกิดอีกต่อไปอยู่กับความสุข ของพระนิพพานดีกว่าไม่มีความทุกข์เลยแต่ถ้ามาเอาความสุขทางร่างกายเดี๋ยวก็ต้องเจอความทุกข์เวลาความสุขที่เราได้มามันหมดไปหรือเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายจะตายก็ไม่สามารถที่จะไปหาความสุขได้ตอนนั้นก็จะมีแต่ความทุกข์ตามมาดังนั้นนักบาศยิ่งไม่ไม่กลับมาเกิดกัน เพราะรู้วการมาหาความสุขจากการเกิดนี้มันมีความทุกข์ได้ไม่คุ้มเสียสู้ไม่มาเกิดเดียวกันเราจะได้ความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สมบูรณ์ที่ถาวรที่ไม่มีวันสิ้นสุดด้วยการมาซื้อประกันชีวิตของพระพุทธศาสนามาจ่ายเบีย้ยประกันคือมาสร้างศีล ส, สมาธิปัญญากันมาบวชกันเพราะนี่ต้องเป็นศีลบวชศีลของนักบวช จะบวชชั่วเท้าก่อนก็ได้มาอยู่วัดอาทิตย์ละครั้งหนึ่งก่อนวันพระแล้วพอพอปฏิบัติไปแล้วมันก็จะเพิ่มวันได้พอมันเห็นเห็นคุณประโยชน์จากการปฏิบัติจากการรักษาศีลสมาธิปัญญาว่าทำให้ใจสุขขึ้นมากขึ้นความทุกข์น้อยลงไปแล้วมันก็จะเพิ่มวันปฏิบัติไปต่อไปมันก็จะไม่กลับบ้านมาอยู่วัดติดวัดขอบวชเลยขออยู่กับวัดไป แล้วก็ตายที่วัดต่อไปแต่ตายแบบไม่มาเกิดอีกต่อไปถ้ากลับไปตายที่บ้านเดี๋ยวต้องกลับมาเกิดใหม่อันนี้คือเรื่องของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นเหมือนกับบริษัทประกันที่จะขายประกันให้พวกเราสองชนิดด้วยกันคือประกันภัยกับประกันชีวิตประกันภัยก็คือไม่ไปเกิดในอบายประกันชีวิตก็คือไม่กลับมาเกิดเลย ไม่ต้องมาเวียนว่าตายเกิดในตายพบอีกต่อไปไปอยู่ที่พระนิพพานกับพระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันตสาวกถ้าเราอยากได้เราก็ต้องจ่ายเบีย้ยประกันอยากจะประกันภัยก็รักษาศีลห้าแล้วก็ทาบุญให้มากกว่าทำบาปถ้าอยากจะไปประกันชีวิตก็ต้องไปปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาให้ครบร้อยเต็มร้อย พอได้ศีลสมาธิปัญญาเต็มร้อยก็จะไปนิพพานไปอยู่ที่นิพพานไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายในไตพบอีกต่อไปการแสดงธรรมสำหรับวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้ผรยะถาวาริวาหาปุราปาริปเรนติสะคะลัง เอวเมวะอโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปะทิตังตุหังคิปะเมวะสัมมิจฉาโต สัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนะราโสยธาเมณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวา อภิวาทนศสีลิสานิจังวุธาปจายโนจตารโธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังพาลาัง <c oughs> ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาวันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่ วันนี้ทาง Facebook เข้ามาสามร้อยสี่สิบหกทสามร้อยสี่สิบเอ็ดวิธีออนไลน์ยี่สิบห้ารับฟังข้างบนนี้ห้าสิบเก้าคนรวมทั้งหมดเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดครับมีคำถามก็ถามได้เลยคำถามจากคุณยอดฮิตคำถามแรกถ้าเรา ไปทำบุญถวายสังฆทานแล้วเรามีความไม่แน่ใจในพระที่มารับเราจะได้บุญไหมครับออได้ไม่เกี่ยวกับผู้รับเกี่ยวกับผู้ให้การทาบุญนี่เกี่ยวกับผู้ให้ใ ห, ให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจก็ได้มากให้ด้วยความรังเลยสงสัยก็ได้น้อยคือให้เราอยากจะได้ผลตอบแทนอยากจะได้ผลตอบแทนจากผู้รับเนี่ย อยากจะให้ผู้รับเป็นผู้บริสุทธิ์อย่างนี้ก็ะจะทำให้ใจเราลังเลเคว้งคว้างได้แต่คิดว่าเราทำบุญนี้เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของผู้รับไม่ว่าจะเป็นใครเป็นผู้มีศีลก็ได้เป็นผู้ไม่มีศีลก็ได้แม้แต่ตำรวจก็บางทียังต้องช่วยคนคนร้ายเลยเวลาที่ไปต่อสู้กันแล้วคนร้ายเจ็บตัวก็ต้องไปพาไปรักษาพยาบาล อันนี้ก็เป็นการทำบุญการได้ช่วยเหลือผู้อื่นบรรเทาทุกข์ยากเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเรียกว่าเป็นการทำบุญฉะนั้นไม่ได้อยู่ที่ว่าคนที่รับนี่เป็นคนดีคนชั่วหรือคนเป็นพระแท้พระปลอมเนี่ยอันนี้ได้บุญเหมือนกันได้จากใจของผู้ที่ปรารถนาความสุขความบรรเทาทุกข์ของผู้อื่น คือเป็นการให้ความเมตตาเนี่นี่แหละคือการแผ่เมตตาต้องแผ่ด้วยการกระทําอย่าแผ่ด้วยการสวดคนเดียวนั่งอยู่ในห้องพระคนเดียวสวดแผ่เมตตาไปครอบจั ก, กรวาลมันไปไม่ถึงหรอกมันไม่มีใครรับเนี่ยต้องทําด้วยการต้องแผ่ด้วยการกระทําให้ความสุขแก่ผู้อื่นหรือบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนให้กับผู้อื่นถึงจะเรียกว่าแผ่เมตตา คำถามที่สองผมนั่งสมาธิแล้วไม่สงบเลยครับผมนั่งได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงทุกวันผมควรทำอย่างไรครับเพราะานั่งคิดนะสิมันก็ไม่สงบถ้าให้มันสงบก็ต้องหยุดคิดวิธีจะหยุดคิดก็ต้องมีสติต้องมีพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธอยู่กับพุโทโธไปอย่างเดียวรือถ้าไม่อยากจะพุโทโธก็ดูลมไปอย่างเดียวดูลมหายใจเข้าออก อย่างเดียวหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกเฝ้าดูลมอย่างเดียวมันก็จะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้ถ้าไปคิดก็แสดงว่าเราไม่ดูลมแล้วย่นนพอเริ่มคิดก็บอกให้เราไม่ได้ดูลมแล้วนะกลับมาดูลมพอดูลมมันก็หยุดคิดถ้าหยุดถ้าดูลมไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะนิ่งสงบได้ ใหม่ๆมันก็อาจจะวิ่งไปวิ่งมาดูลมปั๊บก็กระับไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ปั๊บกันพอได้สติก็เดึงกลับมาใหม่ดึงไปดึงมาชักกันชักกระเยอกันไปเดินกันไปกันเดึนกันมาจนกวาสติจะมีกำลังมากกว่าอยู่กับลมได้อย่างต่อเนื่องไม่ไปคิดถึงเรื่องต่างๆได้เดี๋ยวความคิดก็หมดไปใจก็จะสงบเป็นสมาธิขึ้นมาคาถามจากผู้ฝากถาม วิธีการดูว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งดูอย่างไรครับเข้าใจยากเพราะจิตมันบริยายตามด้วยตลอดครับก็ลองจับน้ำแข็งดูหนมันแข็งหรือมันมันนิ่มหรือมันเป็นเหลวจับน้ำแข็งมันร้อนหรือมันเย็นไปจับก้อนฐานดูว่ามันร้อนหรือมันเย็นของนี่มันสัมผัสรับรู้ได้เม้เนร่วงมาถามเหรือเราเข้าใจผิดหรือเปล่า คำถามก็าถามอย่างนี้ใช่ไหมาถา ม, ถามานี้ก็ลองไปจับน้ำก้อนน้ำแข็งกับก้อนไฟดูเลยเราจะได้รู้ว่ามันเป็นอย่างไรเวลาสัมผัสกับสิ่งเหล่า น, นี้คำถามจากคุณรัชพลผมมาปฏิบัติธรรมถือศีลแปดปกติจะมีนั่งสมาธิบ้างลมหายใจละเอียดและไม่ละเอียดบ้างและเคยวูบ หนึ่งครั้งแต่ก็แอบตกใจนิดหน่อยครับแล้วก็ไม่มีอีกเลยแต่พอได้มาถือสินแปดและปฏิบัติมาได้3มวันรู้สึกปฏิบัติได้มากขึ้นนานขึ้นกินน้อยลงตื่นเองไวมากและเมื่อวันก่อนตอนนั่งสมาธิรู้สึกว่าตัวเองเหมือนหินเลยครับแข็งตั้งแต่หลังคอและทั้งตัวหน้าผากมีว่าบ้ กรับเรียนถามว่าคืออะไรและต้องปฏิบัติอย่างไรต่อไปเพื่อให้ถูกทางครับออไม่ต้องไปสนใจกับอาการของร่างกายซึ่งมันมีหลายหลากหลายด้วยกันบางคนนั่งแล้วรก็รู้สึกพองตัวพองก็มีบางคนนั่งแล้วรู้สึกตัวหดก็มีบางคนนั่งแล้วรู้สึกตัวลอยก็มีอาการต่างๆที่มันปรากฏนี้ไม่ต้องไปให้ความสาคัญกับมัน ไห้อยู่กับพุโทโธไปอยู่กับการดูลมไปเพราะเราไม่ต้องการอาการเหล่านี้มันเป็นผลพลอยได้นีซึ่งถ้าเราไปให้ความสําคัญเราก็จะเราก็จะไม่ได้ดูลมเราก็จะไม่ได้เข้าสมาธิถ้าเราต้องการเข้าสมาธิเข้าหาความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงคือความสุขที่เกิดจากความสงบเราต้องคอยดูแต่ลมอย่างเดียวไม่สนใจกับอาการแปลกๆต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาให้เรารับรู้ แล้วเดี๋ยวมันก็จะหายไปเวลาจะจิตเข้าสู่ความสงบทุกอย่างก็จะว่างเหมือนลอยอยู่ในอวากาศคำถามจากคุณกำพลถ้าเราทำบุญกับชาวต่างชาติต่างศาสนาหรือการช่วยเหลือเด็กเราจะได้บุญไหมครับได้ถึงบอกว่ามันไม่ได้อยู่ที่ผู้รับอยู่ที่ผู้ให้ถ้าเราให้ไม่ว่าจะให้ขตั้งแต่พระลงไปถึง เดลฉานนี้เราก็ได้บุญเหมือนกันได้ความสุขใจอิ่มใจเหมือนกันแล้วแต่ว่าเราชอบให้แบบไหนกับใครให้กับคนที่เราชอบให้ก็จะได้ความสุขรู้สึกมีความสุขมากกว่าความสุขที่เราได้กับให้กับคนที่เราไม่ชอบให้แต่ก็เป็นความสุขเหมือนกันคําถามจากคุณตอสวิญญาณกับจิตเหมือนกันไหมครับ จิตเวลาอยู่กับร่างกายแล้วก็เรียกว่าจิตเรียกว่าใจเวลาไม่อยู่กับร่างกายแล้วก็เรียกว่าดวงวิญญาณคำถามต่อไปจากคุณภัยทูลผมบริกรรมภาวนาพุทโธจนจิตมีความรู้อยู่กับพุทโธเกือบตลอดเวลาเมื่ออารมณ์ใดเกิดขึ้นจะทราบทันทีผมพิจารณาว่าอารมณ์แบบนี้แต่ก่อนก็เคยรู้สึก แต่แล้วก็มีอารมณ์อื่นเข้ามาแทนที่ไม่ว่าอารมณ์ใดเกิดขึ้นย่อมเปลี่ยนไปเป็นอื่นฮะเราจะไปสำคัญในอารมณ์ต่างๆให้เป็นสุขเป็นทุกข์ปั่นป่วนขึ้นมาทาไมเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปสู้รู้อยู่กับพุทโธปลอดภัยกว่าแต่พุทโธก็เปลี่ยนเกิดดับเหมือนกันแต่เราก็ผลิตพุทโธได้ใหม่เรื่อยๆงั้นเกาะพุทโธเป็นหลักดีกว่าผมพิจารณาอย่างนี้ถูกต้องไหมครับ ก็ถูกบางส่วนนะเวลาที่เราพุโทโธเราไม่ควรพิจารณาเท่านั้นเองเราต้องการให้จิตนิ่งให้สงบถ้าเราไปพิจารณามันก็ไม่นิ่งมันก็ไม่สงบมันก็ไม่ได้เป้าของสมาธิได้ความรู้แบบปัญญาแต่ก็เป็นความรู้ที่ยังไม่มีพลังพอที่จะไปควบคุมความรู้สึกต่างๆได้ต้องให้ได้สมาธิก่อนแล้วจะมีพลัง ควบคมความรู้สึกที่ไม่ดีได้การจัดความรู้สึกที่ไม่ดีได้เหั้นตอนที่เราทาสมาธิอย่าไปพิจารณาอารมณ์มันจะเกิดดับหรืออะไรก็เรื่องของมันไปให้เราอยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับคำบาริกามพุทโธไปเพียงอย่างเดียวจนกว่าจิตจะรวมเข้าสู่สมาธิแล้วจิตก็จะนน่งเป็นอุเบกขานั่นแหละคือตัวที่เราต้องการคืออุเบกขา พรเบิกขาเนี่จะทําให้เราควบคุมอารมณ์ต่างๆความอยากต่างๆได้คําถามจากผู้ฝากถามการทําบุญทอดกรถิ่นมีอันนี้ส่งมากไหมครับก็เป็นทานอย่างหนึ่งเหมือนใส่บาดเหมือนถวายผ้าจีวรเหมือนกันเพียงแต่ว่าในยุคนั้นไม่มีการถวายผ้าจีวรให้กับพระพระเดือดร้อนมากเพราะขาดแขนจีวร ก็ต้องไปเก็บผ้าในป่าช้าผ้าห่อศพมาทำเป็นผ้าจีวรทีนี้มีผ้าบวชมากบวชมากผ้าห่อศพอะไรขาดตลาดพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าพราไม่มีผ้าพอใช้ต้องให้ถวายผ้าให้กับพระเลเรียกผ้านี้ว่าผ้ากระถินแล้วก็กำหนดเวลาให้ถวายได้เพียงหนึ่งเดือนเพราะ ความจําเป็นมีเท่านั้นปีหนึ่งถวายครั้งหนึ่งก็พอแล้วไม่ต้องถวายกันทุกวันทุกเดือนทุกปีเหมือนสมัยนี้ถวายถวายผ้ากันทุกใครอยากจะได้บุญก็ถวายผ้าโดยไม่รู้ว่าผ้าผ้าของผ้ามีกี่ผืนแล้วถวายมาก็ใส่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ก็ต้องเอาไปแจกเอาไปทําบุญกับผ้าที่ไม่มีก็เลยทําให้ยุ่งยากไปถ้าถวายมากเกินไปก็เป็นเรื่องยุ่งยากไป ก็เลยให้ถวายเท่าที่จาเป็นปีหนึ่งครั้งเดียวก็พอวัดปีหนึ่งครั้งหนึ่งวัดหนึ่งรับกระถินได้เพียงครั้งเดียวรับผ้าได้ครั้งเดียวแต่สมัยนี้ก็ถวายกันทั้งปีใครวันเกิดก็ถวายผ้าใครวันแต่งงานก็ถวายผ้าถวายกันก็ไม่ว่าอะไรไม่ได้ว่าเสียหายอะไรตรงไหนเพียงแต่ว่ามันเกินความพอดีสำหรับผู้รับเท่านั้นเอง แต่ผู้รับก็เอาไปทำบุญต่อได้ก็ทำได้เท่านั้น น, นี่คืออา น, นิสงส์ของการถวายผ้าจะเป็นกระถินผ้าป่าอะไรก็เหมือนกันเป็นผ้าเหมือนกันเป็นทานเหมือนกันบุญที่ได้ก็เท่ากันคำถามจากคุณพิสนุ การไปไหว้พญานาคด้วยความเคารพนับถือไม่ได้ขอสิ่งใดจะเป็นศิลปะประมาสไหมครับก็ไปไปไหว้สัตว์เดราะชานเนี่ยพญานาคก็คืองูนี่งูใหญ่แล้วก็เรียกว่าพญานาคไม่รู้นะเราความเข้าใจของเราเรเแค่นาคมันก็ต้องเป็นงูงูใหญ่ก็ไปไหว้งูทันเองเหมือนสมัยนี้ก็ไหว้เป็ดไหว้ไก่ก็มีแล้วแต่ มันก็เป็นเดลฉานวิชามันไม่ได้ทำให้เราหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้คำถามจากผู้ฝากถามไม่ทราบว่าที่เราคิดว่าทุกสิ่งล้วนสมมุติเป็นการหลงผิดไหมครับ ความรักห่วงใยกับทุกคนจึงน้อยลงแต่ยังคงอุปาการะบิดาบุตรตามกำลังตลอดและการทำบุญทำทานฟังธรรมทุกวันครับก็ถ้าทำให้ทุกน้อยลงก็ใช้ได้ก็ถูกต้องเพราะของต่างๆทั้งหลายมันเป็น มันทำมาจากดินน้ำลมไฟเป็นเหมือนตุ๊กตาทั้งเนี่ยปั้นขึ้นมาด้วยดินน้ำลมไฟเดี๋ยววันหนึ่งมันก็ย่อยสลายไปล่มสลายไปกลับคืนสู่ธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟไปไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีสามีไม่มีภรรยาไม่มีบุตรไม่มีทิดาไม่มีร่างกายของเรามันมาจากดินน้ำลมไฟเดี๋ยวมันก็กลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไป เราถ้าเรารู้เราก็ไม่เรก็ลดความห่วงใยได้ตัดความกังวลเกี่ยวกับร่างกายได้คำถามจากผู้ฝากถามการรู้เย็นร้อนอ่อนและแข็งเพื่อสร้างอยู่กับตัวรู้จิตโยมระบุ รู้ว่าเย็นร้อนอยู่ตลอดมันกลายเป็นความคิดถ้าโยมใช้วิธียกมือนับเป็นจังหวะแทนจะเป็นวิธีที่แทนกันได้ไหมครับไม่รู้จะไปรู้มันทำไมมันก็รู้อยู่แล้วรู้ว่ามันเย็นร้อนแข็งนุ่มให้ที่ต้องการรู้ว่ามันไปอยากกับมันหรือไม่มากกว่าใอ้ตัวที่ต้องควรจะรู้ก็คือรู้ว่าอยากหรือไม่อยากถ้าอยากก็ควรตัดความอยากเสียเพราะถ้าไปอยากแล้วเดี๋ยวไม่ได้มันจะทุกข์เนี่ยท่านั้นเอง ส่วนมันจะร้อนนุ่มเย็นแข็งอะไรก็เรื่องของมันพอเราไปอยากปุ๊บนี่มันใจเราวุ่นวายขึ้นมาทันทีถ้าเราไม่ไปอยากกับมันเราก็ไม่วุ่นวายมันจะแข็งมันจะอ่อนมันจะร้อนมันจะเย็นมันก็เรื่องของมันไปแต่พอเราไปอยากปุ๊บถ้ามันเย็นก็อยากจะให้มันเย็นไปเรื่อยๆพอมันไม่เย็นก็ทุกข์กับมันนะเห็น ให้รู้ตรงนี้ดีกว่ารู้ว่าเราไปอยากกับมันหรือไม่ถ้าอยากก็ต้องตัดมันถ้าไม่อยากจะทุกข์กับมันคำถามจากคุณปณรักษ์เรื่องการทำบุญครับการทาบุญกับพระกับคนทั่วไปแตกต่างกันอย่างไรครับก็พระก็เป็นผู้มีศีลคนคนทั่วไปก็ไม่ไม่มีศีลหรือมีบ้างไม่มีบ้างแต่บุญที่ได้จากการทำก็ได้เหมือนกัน เพราะเราไม่ได้ทำบุญกับศีลนี่เราทุหมือนกับปากท้องของคนคนมีศีลก็มีปากท้องคนไม่มีศีลก็มีปากท้องเหมือนกันหิวเหมือนกันอดอยากขาดแคลนเหมือนกันเราบรรเทาความทุกข์ยากขาดแคลนของร่างกายของเขาเราไม่ได้ไปทำบุญกับศีลของเขาหรือไม่มีศีลของเขาเราไปบรรเทาความทุกข์ยากลำบากทางร่างกายของเขา เราก็ได้บุญเหมือนกันได้ความสุขใจเหมือนกันคำถามจากคุณพิชยะทำบุญทำทานสม่ำเสมอและอธิษฐานให้บิดาไปพบธรรมะจะมีผลไหมครับอธิษฐานไม่ได้คืออธิษฐานขอไม่ได้อธิษฐานนี่ความจริงไม่ได้แปลว่าขอเป็นการตั้งเป้าว่าเราต้องการที่จะทำอะไรนั้นการทำบุญนี่ เราตั้งเป้าแล้วคือก่อนที่เราจะทําบุญเราต้องคิดก่อนว่าเดี๋ยวจะไปทําบุญอันนี้เรียกว่าอาธิษฐานแล้วได้อธิษฐานแล้วถ้าไม่อธิษฐานก็จะไม่ได้ทําบุญต้องคิดก่อนว่าเดี๋ยววันนี้จะไปทําบุญะพอไปทําบุญแล้วทีนี้บุญมันก็เป็นเหมือนอาหารเนี่ยถ้ากินอาหารผลของการกินอาหารคืออะไรอิ่มใช่ไหยกินอาหารแล้วจะให้ไปเป็นนางงามจักรวาลได้ไหมไม่ได้หรอกมันคนละเรื่องกัน ทำบุญมันก็ให้ไปได้ให้มีความสุขใจอิ่มใจให้ไปสวรรค์ได้แต่จะให้ไปนิพพานให้พ้นทุกเนี่ยไปไม่ได้มันคนละเรื่องกันคำถามจากคุณนนยนา รักษาสินห้าสมมุติว่าไปเก็บเห็ดในป่าหรือไปเก็บของที่มันเกิดขึ้นเองในป่าดิฉันจะผิดสินข้อสองหรือไหมคะสามีชอบบอกว่าดิฉันไปขโมยทำให้ไม่สบายใจคะ่ะถ้าของไม่มีเจ้าของก็ไม่ไม่ผิดสินไม่มีใครเป็นเจ้าของในป่านี้เป็นเหมือนสาธารณะสถานที่สาธารณะไม่มีเจ้าของจะไปเก็บก็ไม่น่าจะมีปัญหากับใคร ไม่มีเจ้าของก็จะมาตามจับไปลงโทษนะแต่สำหรับพระนี่ถ้าบอกเก็บผลไมกล า, มากไม้ในป่าได้แต่คำนับพระยังกินเองไม่ได้เวลาเอามาแล้วต้องให้โยมช่วยประเคนให้ใหม่อีกทีหนึ่งก่อนถึงจะกินได้คำถามจากคุณพิสนุเมื่อปฏิบัติจนหลุดพ้น คั้นนิพพานตัวจิตไม่มีใช่ไหมครับนี่ตัวจิตไม่มีไอตัวที่ไม่มีคือกิเลสตัวความอยากเหมือนซักผ้านี่เวลาซักผ้าเสร็จนี่ผ้าหายไปรึเปล่าซักผ้าก็เพื่อเอาความสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ในเสื้อผ้าออกไปเสื้อผ้าก็สะอาดขึ้นมาเสื้อผ้าก็ไม่ได้หายไปจิตก็เป็นเหมือนเสื้อผ้าที่มีสิ่งสกปรกคือกิเลสตัณหาซ่อนอยู่ในใจก็ซักด้วยศีลสมาธิปัญญา พอซักเสร็จกิเลสตัณหามันก็หลุดมันก็หลุดออกจากใจไปหมดเหลือแต่จิตเหลือแต่ใจตัวเดียวที่ไม่มีวันหายไม่มีวันตายคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามคำถามแรกครับลูกทำบุญกะถินด้วยปัจจัยไม่ได้ถวายผ้าขาว มีคนบอกว่าถ้าทำกรถินถ้าไม่มีผ้าขาวมาถวายยังไม่เรียกว่าได้ทำบุญกรถินอันนี้จริงไหมครับก็มีผ้าผ้าขาวอยู่แล้วเขาเตรียมให้เราอยู่แล้วเวลาเขาทอดกรถินนี้เขาเตรียมผ้าขาวไว้แล้วเอาเงินทองไปสมทบเท่านั้นเองก็เหมือนก็เอาเงินไปซื้อผ้าขาวนี่เอาเงินไปจ่ายค่าที่เขาไปซื้อผ้าขาวมาทอด ทีถ้ามันมากเกินไปก็เอามาเก็บไว้เป็นข่าน้ําข้าวไฟให้กับวัดไปแทนเอเพราะถ้าเอาเงินทั้งหมดไปซื้อผ้าขาวใครจะไปผ้าจะไปห่มได้ที่ไหนก็ไม่รู้จักใช้ของให้เป็นประโยชน์อย่างสูงสุดเนี่ยก็แบ่งไว้ซื้อผ้าเท่าที่จําเป็นถ้าเหลือก็เอาไปใช้กับสิ่งที่จําเป็นซ่อมแซมกุฏิซ่อมโบสถ์บางทีหลังคาลวดนี้เอาผ้าไปอุดมันได้เปล่า ทำ ไ, ไมมันก็ต้องเงินนี่ไปจ้างช่างเข้ามาซ่อมให้ค้างค่าน้ําค่าไฟก็ต้องไปจ่ายค่าน้ําค่าไฟให้กับเขาเดี๋ยวโดนเขาตัดน้ําตัดไฟงั้นเงินทองนี้เป็นเหมือนเจ้าสารพัดนึกว่ามันอย่างที่เราถวายเงินทองเป็นเขาเรียก ว, ว่าเป็นเป็นของสมทบเป็นบริวารกระถิน่นกรถินคือผ้าพอมีผ้าแล้วเราอยากจะถวายเพิ่มเราก็เรียก ว, ว่าเป็นบริวารกระถิน่นบางทีก็ถวาย เครื่องใช้ไม้สอยกระถินหวงนี่เขาจะมีของนอกจากผ้าแล้วมีบาทมาีมีค้อนมีขวานมีอะไรไว้ให้ซ่อมกุดตกกุติมีกระติกน้ำร้อนให้ใช้เวลาอยากจะตื่มน้ำชากาแฟอะไรเนี่ยเขาจะมีเรียกพวกนี้เขาเรียกว่าบริวารของที่ เพาะนอกจากใช้ผ้าแล้วผ้าก็ต้องกินต้องเดิมเหมือนกันไม่ไม่ใช่ว่าจะใช้ผ้าอย่างเดียวก็บางทีเห็นไหมน้องปูน้องตาเนี่ยก็ต้องกินน้ําน้งน้ำร้อนอ่นมน้ําร้อนก็ต้องมีกระติกน้ําร้อนเก็บเอาไว้จะได้นอนเป็นนานๆก็ขายตันนี้พวกนี้เขาเรียกพว ก, ร ก, พว ก, พวกบริวารต่างบริวารกรถินก็ได้ทานได้บุญเหมือนกันคําถามที่สอง ถ้าพี่สาวทำบุญกระถินได้ซื้อผ้าขาวแต่ถวายไปเรียบร้อยแล้วลูกต้องการร่วมถวายปัจจัยย้อนหลังเรียกว่าได้ร่วมบุญกระถินถูกต้องไหมเจ้าคะเพราะท่านได้รับกรานกระถินไปแล้วก็ไปถวายวัดมันก็ได้บุญเหมือนกันไม่ต้องเป็นกระถินมันก็เหมือนได้บุญเหมือนกัน ถ้าอยากจะให้วัดได้เงินเพิ่มถ้าไปให้พี่สาวพี่สาวก็บอกว่าเง่างนี้ฉันก็เก็บไว้เพราะส่วนนั้นฉันออกไปแล้วีพี่สาวก็ได้บุญน้อยลงวัดก็ไม่ได้เงินเพิ่มเอเราได้บุญเพิ่มแต่พี่สาวลดบุญลงเพราะเอาเงินของเราไปเก็บไว้ไม่ได้ไปให้วัดเนี่ถ้าไปให้วัดพี่สาวก็ไม่ได้ลดบุญของตอนเองวัดก็ได้เงินเพิ่มเอ เหตนถ้าอยากจะท่านได้ประโยชน์ก็ควรจะไปให้วัดดีกว่าดีกว่าไปให้เจ้าภาพเจ้าภาพเขาขี้เกียจไปวัดเขาบอกฉันก็เอาเงินส่วนของฉันออกไปแล้วเงนินส่วนนี้ฉันก็เก็บไว้เป็นของฉันต่อไปเก็เลยทําให้เขาขาดทุนทําให้คนที่ที่รับเงินจากเราขาดทุนบุญไปเพราะว่าเอาเงินของเรามาเก็บไว้ก็ไปลดบุญที่ได้ทําไว้ให้น้อยลงไปของตนเอง แล้วพระก็ไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้นจากการทำบุญของเราถ้าเราอยากใช้วัดได้ประโยชน์มากขึ้นจากการทำบุญของเราแล้วก็เอาไปให้วัดวัดก็จะได้รับประโยชน์เราก็จะได้บุญพี่สาวเราก็จะได้ไม่ได้ลดบุญคำถามจากผู้ฝากถามเห็นร่างกายเหมือนเสื้อผ้าที่กองอยู่รู้สึกเศร้าที่เห็นมันชารุด เรายังใช้เขายังไม่ถึงฝั่งอันนี้คือความฟุ้งซ่านไหมครับเ อ, อยังเป็นความเศร้าหมองอยู่ยังเป็นความยึดติดอยู่ไม่รู้หรอกว่าถ้าเราปล่อยวางได้เราก็ถึงเป้าหมายเราแล้วบ ล, ล่อยให้ร่างกายตายไปได้เนี่ยท่านบอกนิพพานอยู่ภากตาย พอยอมตายเพราะก็ถึงนิพพานแล้วนี่นจะไปเศร้ามันทําไมต้องดีใจถนะ้าเห็นมันจะตายแล้วปป่งได้ว่าะป่งได้แล้วทำให้เราไปถึงนิพพานแล้วจะไปยึดมันไว้ทําไมต้องปล่อยมันเลยมันถึงจะพายเราไปนิพพานได้ไปถ้ายังไปยึดกับมันมันก็ยังไปไม่ถึงนิพพานอยนะ่คําถามจากคุณดิดคําถามแรกทําสมาธิกําหนดจิตอยู่ที่ลมหายใจจุดเดียวแต่ความคิด ต่างๆเกิดขึ้นคอยแก้ไม่ให้หลุดจากสมาธิเป็นปัญญาไหมครับหรือวิตกวิจาร์หรือไม่มีความคิดอะไรเลยครับเป็นสติถ้าคอยดึงใจให้อยู่กับลมหายใจอย่าไปสนใจกับความคิดเดี๋ยวความคิดมันก็หายไปเองคำถามที่สองถ้าเราไม่ทำทานเลยเน้นทำสมาธิอย่างเดียวได้ไหมครับได้เวลาทาทานก็คนละเวลากันเนี่ยเวลาทาทานก็เวลาทำทาน เวลาทำสมาธิก็ทำสมาธิถ้าไม่ทำทานมักจะไปทำสมาธิไม่ได้เพราะจะเอาเงินไปเที่ยวกันนั่นเองถ้าเอาเงินไปทำทานมันก็ไม่มีเงินเที่ยวมันก็จะมีเวลาไปนั่งสมาธิคำถามจากคุณสุวรรณาการสวดมนต์ออกเสียงกับไม่ออกเสียงต่างกันไหมครับอก็มีเสียงก็ไม่มีเสียงมันก็ต่าง <laughs> เผลก็คือชาวบ้านจะได้ไม่ลาคาญถ้าเราออกเสียงถ้าเราไม่ออกเสียงเราสวดในใจมันก็ไม่เป็นรบกวนชาวบ้านสางเราก็ไม่เหนื่อยถ้าออกเสียงมันเหนื่อยแล้วก็ใจจะสงบง่ายกว่าถ้าเราสวดในใจเพราะถ้ายัางออกเสียงใจจะต้องมาสั่งให้ร่างกายเป็น ทำงานอยู่ใจก็ต้องทำงานแต่ถ้าใจอยู่กับการสวดอย่างเดียวก็ไม่ต้องไปสั่งให้ร่างกายทำงานใจก็ไม่ต้องทำงานส่วนนั้นก็ลดการทำงานของใจให้น้อยลงเห็นถ้าสวดออกเสียงกับการไม่สวดออกเสียงนี้การไม่ออกเสียงจะดีกว่าจะทําทให้สงบได้ง่ายกว่าได้เร็วกว่าได้มากกว่าถ้าอย่างนั้นถ้าอยากจะสว ด, ดก็อย่าออกเสียงได้ดีที่สุด หรือถ้าพุโทโธก็ไม่ต้องออกเสียงพุโทโธพุธโทโธไปภายในใจทำไมเวลาเราคิดถึงคนนั้นคนนี้ดา่าคนนั้นคนนี้ยังด่าในใจได้ไมนต้องออกเสียงเลยวะแล้วพอมาสวดมนต์หรืวมาพุโทโธทำไมมันพุโทโธไม่ได้สวดไม่ได้ใช่ไอมหมดแล้วหรือคำถามมีใครอยากจะถามอีกัหมถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา